เป็นก้อนๆภาวนาไปดูจิตจูใจไปมันยิ่งแนนขึ้นดน่นขึ้นนะเพ อ, อดทนดูนะคิดว่าเราต้องล่วงทุกข์ด้วยความเพียร น, นี่มันทุกข์แล้วเห็นทุกข์แล้วนึกว่าหลวงปู่จะชมนะไปดูไอ้ก้อนทุกข์ที่มันโผล่ขึ้นมากลางหน้าอกเนี้คิดว่านี่แหละดูจิตนี่เห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์อยู่ดูอยู่สามเดือนไอ้ตัวก้อนนี้ก็หายไปใจก็โปร่งโล่ ง, ลงสบาย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 เห็นจิตเป็นก้อนก้อนเป็นอย่างน้นอย่างนี้นะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่จิตตอนนี้ฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งโอ้โจิตมันนิ่งมันสงบมันสบายแล้วนึกว่าท่านจะชมนะท่านไม่ชมสักคำเลยท่านบอกว่าไอ้ที่ดูอยู่นั้นมันอาการของจิตมันไม่ใช่จิตไปดูใหม่นี่ฝึกอยู่3เดือนนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกคือไอ้นั่นมันอาการของจิตมันยังไม่ใช่จิตนะ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 มันเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยสมัยก่อนมันไม่มีรถบนดินใต้ดินรถอะไรไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวนี้ก็ตกนรกไปอีกแบบนึ่งค่ารถมันแพงนะออกมาที่ถนนนะเห็นรถไม่มาเนี่ยรถเมย์ไม่มาสตีนะเราจะต้องรีบไปทํางานใจมันกระวนกระวายใจกระวนกระวายเรารู้ว่ากระวนกระวายฝนะึกอย่างนี้นะใจเราเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆพอรถเมย์มาเราดีใจเรารู้ว่าดีใจน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 แต่ครั้งสุดท้ายที่ไปลาท่านนะีมันคอยเวียนกลับมาดูท่านเรื่อยๆนะใจมันอะไรเอาวอนมากเลยใจหายนะั้นมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายลแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายลวันรุ่งขึ้นออกมาจากเมืองสุรินเข้าไปแวะโคราชเมื่อก่อนหลวงพ่อออกจากสุรินที่ไหต้องแวะไปหาหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันทุกครั้งคราวนี้ก็ไปหาท่านที่โคราช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 เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองพอเราฟังธรรมของท่านนะโอ้โหสะเทือนใจท่านภาวนานี่นะเด็ดขาดเลยท่านท่านทำลายของท่านได้ละนี่แต่ในที่สุดท่านก็เป็นคนบอกหลวงพ่อจนได้เรามาภาวนาต่อนะก็าภาวนามาเรื่อยๆแหละจิตใจมันก็ค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นขอให้รู้เท่านั้นนะให้ดูจิตดูใจของเราไปนะ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 เอวเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกะปติอิช so ิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวาสมิชตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโตปันนรโสยถามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัตจันตตสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวะ อภิวาทนาศีลิสนิจังุทธาปจจายโนจัตารโรธรร ม, มาวัฏันติอายุวันโสุ ข, ขังพระลัง